พูดถึงเรื่องความเพียรนะพูดถึงเรื่องกิเลสนะที่มาอยู่กับหมูเพื่อนนี่มันเป็นเรื่องฟื้นฝืนเหมือนกันมันเป็นลักษณะฟื้นฝืนอยู่ไปเราก็ทราบว่านิสัยคนไม่เหมือนกัน ความเด็ดเดี่ยวอาจหารความคล่องแคล่วทางสติปัญญาเนี่ยไม่ค่อยแสดงให้เห็นนเดที่มันทำให้หนักหนักใจอยู่ห ย, ยาบๆก็เคลื่อนอะไรก็เคลื่อนแสดงว่าไม่ได้ใช้สติปัญญาความเคลื่อนต่างๆนั้นมันออกมาจากใจที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาให้เราพบถ้าใช้บ้าง ความเคลื่อนราดเหล่านั้นก็จะไม่ค่อยมีนี่ที่เคยดุด่าว่ากล่าวท่านเนรอยู่เสมอเป็นราอเห็นนี่เองพอตามองไปเห็นมันมีสิ่งที่ขวางตาแล้วว่าสิ่งที่ขวางนั้นคือความบกพร่องของคุณนั้นคำพูดแสดงออกมาเป็นความรอบคอบหรือไม่รอบคอบนั้นก็มาสะดุด มันก็คือความบกพร่องมองเห็นด้วยตาก็คือความบกพร่องวางอะไรอะไรไว้ที่ไหนก็คือความบกพร่องมันสะดุดสะดุดสะดุดไปเรื่อยๆอาว่าได้ฆาตติปัญญาแล้วสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นกิริยาที่แสดงออกจะไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือมันออกมาจากใจทั้งนั้นเหตุใดงมาเป็นนะก็เคยพิจารณาเคยรู้เคยเข้าใจอยู่แล้ว เังเหลนี้มันไม่ผิดกันอะไรมันมเหมือนกันสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติไปที่ไหนสติปัญญาอยู่กับตัวยอมแคบคลาดปลอดภัย ทานในกิจใจก็ดีหรือทาหน้าที่การ ง, งานอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดเรื่องคติปัญญาจริงเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากในวงปฏิบัติเพราะสิ่งภายนอกที่แสดงออกก็สอบมาจากภายในวิเลสที่มีอยู่ภายในจะแก้ได้ด้วยวิธีใดท่ามในแก้ได้ด้วยความรอบคอบที่แสดงออกนี้ ถ้าความรอบครอบแสดงออกภายนอกมีน้อยภายในที่จะแก้กิเลสคือสติปัญญาที่จะนำไปแก้กิเลสภายในก็ต้องแสดงออกขนาดเดียวกันความรอบครอบข้างนอกมีมากที่จะนำไปแก้กภายในก็ต้องมีมากและมีทางที่จะแก้ไขไปได้โดยลำหนักนี่มันส่อถึงการอยู่เสมอการแสดงแสดงออกมาภายนอกเป็นปรเรื่องประกาศ ความโง่ความทฉลัลาของตัวเองยิงได้เตือนเสมอพระเนรดุด่าว่ากล่าวไปเรื่อยๆแม้แต่เวลาแจกอาหารสำคัญที่มาชมุมกันนี่ตอนนี้ได้ดุแล้วเวลาจะดุแล้วไม่ได้่ากใครจะอยู่ที่นั่นหรือไม่อยู่ไม่สำคัญเพราะมุ่งที่จะสอนผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเราเราต้องพูด ไม่พูดนนี้ไม่เข้าใจคนอื่นที่ไม่ไม่เคยรู้เรื่องรู้ราบอกอาจจะคิดปัญแห่ต่างๆแต่เราไม่สนใจในความคิดเหล่านั้นของคนเราสนใจในประโยชน์ที่จะพึงได้เพราะการแสดงออกของเราและผู้ฟังจะได้คติในขนาดนั้นเท่านั้ น, ถ, นถึงเน้นลงไปเสมอ ว, ว่าสติปัญญา สติปัญญาอยู่นั่นแม้แต่มรรคแปดก็ยังมีสมาธิขึ้นตน้นความรบอบคอบถ้าคนก็ต้องเป็นหัวหน้างานคนฉลาดต้องเป็นหัวหน้างานเมื่อหน้างานใดฉลาดงานนั้นๆลูกน้องก็ดีงานก็ได้ผลดีถ้างโง่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร มีอำาจยังทำให้งานนั่นถูกพลาดไปด้วยให้ทำให้ผู้อื่นเสียไปด้วยไม่น้อยเกีย่ยวกับการปกครองของตนมีกว้างแคบขนาดไหนเป็นสำคัญแล้วที่ดินในวงวัดหนึ่งก็พอทราบได้วันใดท้าครูวาจะครูวาอาจารย์มีวามเคลมหนวดขวดขันกับพระเนมดูพระเนรวัร น, นั่นก็น่าดูาวันไหนอาจารย์ใจดีไม่ค่อยจ อะไรกับพระกมนก็เพลินๆผ่านๆดูแล้วก็ไม่ น, าน่าดูหรืออาจจะขึ้นอยู่กับผู้หัวหน้านั้นอีกด้วยใครก็พิจนารณาไม่ออกเราไม่กล้า จ, จะวินิจฉัยวัดท่านอาจารย์มั่นอย่างนี้ใครเข้าไปก็เข้าไปจะเป็นระเบียบเดียวกันหมดเพราะท่านเข้งมงวดกวดขันตาก็เป็นครูมองไปไห น, น มันก็เหมือนอย่างที่เขาเขียนดหมายมาเลยเหมือนกับพามหัวใจเป็นอย่างนั้นพระตาผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมมีความหมายไปด้วยทิริยาที่แสดงออกทุกเนี่ทั้งมุมมีความหมายไปหมดท่อกมาจากใจแห่งความหมายใจเป็นธรรมชาติที่มีความหมายอย่างยิ่งยิ่งใจเป็นทำทั้งดวงด้วยแล้วการแสดงออกจะต้องมีความหมายไปทั้งนั้น เรื่องที่จะเป็นโมฆะแสดงของเฉยๆนี่รู้สึกจะไม่มีพูดออกมาแต่ละคำแล้ประโยคเป็นคติแล้พูดทีเล่นทีจริงมีธรรมะสอดแทบมาด้วยทั้งนั้นถ้าผู้สนใจจะฟังอัดฟังธรรมจากท่านจะได้ฟังอีกทุกระยะที่เพื่อนไหวของท่านนอกจากแบบที่ว่า ไปก็ไปอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นม่ค่อสนใจในเหตุในผลในแง่ต่างๆที่ท่านแสดงออก เ, เลยถือเป็นธรรมดาจ้ะบางทีท่านพูดทีเล่นทีจริงก็เลยทำให้สนุกสนานลื่นๆไปเที่ยโดยไม่คิดหาเหตุหนาะผลพอจะเป็นประโยชน์แก่ตนเลยอางนี้มีจำนวนมาก การแสดงเกี่ยวกับเรื่องความภาพเพียนท่านรู้สึกว่าเข้มข้นมากขณะที่แสดงบอกอุบายให้พระไปอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นไปอย่างว่านะต่าที่ที่ว่าน่ากลัวนั่นแหละที่เลือดตัวพรให้หน่ากลัวมันจะได้หมอบใช่มั่ง จะกัวเป็นไหนคนในโลกนี้ปัาช้าเต็มตัวน่ะฟางดีดังว่าไปอยู่สถานที่ใดที่จะไม่ตายถึงเวลาแล้วมันตายได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ทําให้เคยปรากฏนี่ที่มันตายล่มจมโดยเปล่ า, าไม่เกิดประโยชน์โทษความโง่ผาให้ตายน่ะตายด้วยความฉลาดตายด้วยอัด้วยธรรมพระพุทธเจ้าท่านชมเชยชมเชยเสนเสริญมากถึงสอนพระลูกบูรเซนาสนางไปหาอยู่ในร่้มไม้ชายเขาที่ไหนที่จะเป็น ที่บำเพ็ญและรับความสะดวกสบายให้ไปสู่สถานที่นั้นนั่นฟังเอิญไงพระพุทธเจ้ า, าให้สอนคนให้ตสอนพระไปให้ตายนี่่นะสอนพระไปให้ฆ่ากิเลสให้ตายในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยทรงบำเพ็ญมาแล้วอย่างนั้นจึงแนะนําเหตุผลที่เคยปดปฏิบัติมาและได้ผลมาแล้วมาสั่งสอนบรรดาส า, าวกทั้งหลายทําไมเราจะกลัวจะตายแล้วหนีพ้นไหมละความตายะ เวลาท่านเด็ดท่านเด็ดจริงจิงไปที่สถานที่ไหนที่กลัวมากๆนั่นแหละเป็นที่ที่เดดจะได้หมอบถ้าเป็นนักต่อสู้ถ้าคนขี้ขลาดกลัวแล้วไปที่ไหนก็จะไปชันเทาเทาไม่ได้เรื่องอะไรเลยแม้จะอยู่กับหมู่กับคณะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนประเภทนั้นเข้าในป่าก็เป็นแบบนั้นอยู่ในกัหมู่กับคณะก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบเก่านั่นแหละแบบที่เป็นท่านานฝั่งเวลาท่านพูด หน้าฟังแล้วผู้ดีมุ่งต่ออาตธรรมไปแล้วใจมันต้องสั่นเล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆทีเดียวพอได้ยินท่านตุกประสาทปลุกจิต ป, ปลุกใจมันเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านทั้งนั้นที่ไม่มีปีคือจิตมันห้าวหานนั้นเด็ดเดี่ยวท่านนจิตแล้วไปก็ น, นั่นแหละอันนั้นแหะเป็นคติไปด้วยยิ่งไปสู่สถานที่น่ากลัวดังที่ท่านว่าแล้วอันนี้ขึ้นแหล ะ, ะท่านอาจารย์มั่นท่านไม่ นั่สอนเรามาให้เพื่อความตายนะท่านสอนมาเพื่อทำท่านสอนมาวิธีใดจะเป็นจะตายให้มุ่งต่อตอัตตธรรมเอาเธอความตายนี้มอบไว้ในคติธรรมดาทําจะเกิดด้วยวิธีใดให้เข้มแข็งอห้พิจิตพิจารณาปุดข้นขึ้นมาให้รู้เห็นภายใจิตใจะจิตมนะันก็ห้าวหาันเสือก็หุ่มก็หึม่มเนี้ยก็เอาเสือก็เสือเสือก็ตายเหมือนเราเราก็ตายเหมือนเสือ เสือกินเราแล้วเสือเราเสือก็จะตายเ้วตายในวันนี้เสือตายในวันหน้านี่มันอาจหารนะความอาหารในวันเลยไม่กลัวแระทั้งที่เสือก็เป็นสัตว์เป็นอันตรายแต่มันไม่ได้ถือเป็นอันตรายในขณะนาดนะเพราะทําข้อนี้เหล่านี้แหละเป็นเครื่องปลุกจิตปลุกใจให้เกิดความข้าหารเดินจงกรมได้อย่างสะดวกสบายแต่จิตไม่ได้ส่งนะต้องจิตเป็นธรรมทั้งนั้น เราเคยพิจารณาในทำแง่ใดเราพิจารณาทำนี่ น, น, นั้นถ้าจิตอยู่ในวงสมาธิกําหนดให้เข้าสู่สมาธิสมาธิที่เดินไปได้มาได้ธรรมดาๆนี้คือให้เป็นความสงบอยู่ภายในจิตใจไม่ส่งไปข้างนอกหาสัตว์หาเสือที่ไหนไมันจิตก็แน่นเหมือนหินทีเดียวมันเข้ามาฐานให้มันแล้วงทั้งที่คิดถ้าอ่านได้อยู่ก็าตามมันก็ไม่กลัวเดินโยกมือได้อย่างสบาย ไปที่ไหนไปได้หมดเมื่อสระความตายเสียเท่านั้นในขณะเช่นนั้นเหมือนกับว่าเป็นผ้าที่ริ้วผืนหนึ่งไม่มีคุณค่ามีราคาในะส่วนร่างกายนี้เลยอะไรจะามาไปก็เอาไปเถอะแต่เรื่องธรรมถือเป็นคุณค่าอย่างยิ่งเนื้อจิตใจจิตมีความมุ่งมั่นต่อสิ่ง น, นั้นเท่านั้นอยู่ไหนก็อยู่ได้นั่งอยู่ไหนก็สบายไปหมดเสือก็หื่มก็หืมก็ไม่สนใจไม่กลัวเสือก็สัตว์โลกอันเดียวกัน เคยแก่เจ็บตาด้วยกันหมดทั้งสิ้นแน่มันลงนี่หมดเสียหนึ่งจิตมันยิ่งตั้งท่าตั้งทางอาดหารเรื่องเลงในอัดในธทมสติสตางอยู่กับตัวเย็นอบอุ่นก็ถูกเย็นก็ถูกเหมือนภูมืนอาจารย์หรือเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนหัวใจไปที่ไหนก็อบอุ่นหมดนมีน่คือทาอยู่ภายในใจเป็นเช่นนั้นนี่เคยเป็นมาแล้ว ที่ขาดก็อยู่ที่นี่คนคนนี้แหละแต่เวลามันอาจหารก่อนได้เห็นประจักษ์ภายในตัวเองเพราะความฝึกความท ร, รมานอย่างยิ่งอาหารได้ไม่ใช่มันอาหารขึ้นมาเฉยๆอาหารด้วยการฝึกผลทรมานด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมกันความกลัวทั้งหลายก็สลายตัวลงไปคากระหารเกิดขึ้นมาแทนที่เดินอยู่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เคยสนใจกับเรื่องความเป็นคําตายสัตว์ไรตัวนั้นตัวนี้ไม่ไปสนใจเลย หมุนดูกับทมความสง่างาผ่าเผยภาพพยใจิตใจองค์าอาจกล้าหาญอยู่ภายในนี้เดินไปได้กี่ชั่วงไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นเนี่ยเวลามานั่งเอาให้สงบก็แนวลงไปเลยเวลาออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็หมุนติวติวติมีเป็นขั้นของสมาธิกับปัญญาที่เกี่ยวโยงกัน พอถึงขั้นปัญญาล้วนๆแล้วไปที่ไหนก็มีแต่ปัญญาไอ้เรื่องสัตว์เรื่องเสือไม่มีแหละมันหมดความหมายไปหมดแล้วแหละสนใจกับว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นภายสัตว์ตัวนี้เป็นพิษนอกจากสนใจกับกิเลสตัวแสดงอยู่ภายในจิตนี้ล้วนๆนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่สนใจของจิตอันนี้ไม่มีการไม่มีสถานที่ไปไหนไปได้หมดไคํานึงคํานวณไม่ขาดหนาขาดลังว่า สถานที่นั่นจะลาบากลาบนสถานที่นี่มีสัตว์มีเสือไม่คำานึง่งไปที่ไหนไมีแต่ทำกับใจหมุนกันเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดเวลาเช้าสายบ่ายโมงไม่สนใจทั้งนั้นหมุนกันอยู่ตลอดนอกจากเวลาหลับแค่เท่านั้น่างการฝึกจิตฝึกอย่างนั้นเวลาเด็ดเด็ดเต็มที่เด็ดจนไม่หมายปาช้า คนทั้งโลกมีเราคนเดียวเท่านี้ไม่หวังพึ่งใครเป็นกับตาก็เราเป็นผู้รับผิดชอบเราเองเอาตาก็ตายหมายจำเป็นจะต้องมาหาอะไรมาเผาศพาเผาเหมือนกันสัตว์ตายอยู่ในโลกไม่มีใครไปเผาศพมันเราทําไมจะหาคนมาเผาศพล่ะนเป็นย่างนั้นจิตนี่คือความปลุกตัวเองฐานะก็ตายตายไปแล้วเสด็จมันอะไรห่วงมันอะไรมันตายมันใช้ไม่ได้แล้วถึงตายแล้วเป็นหัวอะไรอีกหรือหัวสิ่งที่ใช้ไม่ได้น่ะ เวลาที่ใช้ได้นี่ใช่ที่เราจะให้เป็นประโยชนย์อะไรใช้ลงไปเอาให้เต็มไม่เต็มหน่วยเอาให้เต็มอัดเต็มทำเต็มความสามารถให้รู้อย่างถึงใจอุบายวิธีปลุกตัวเองกินก็ห้าวอาหารคนเดียวกับรุ่นเร่งรื่นเริงภารกิตกับธรรมนี่มันผิดกับรุ่นเริง กับสิ่งทั้งหลายอยู่มากริ่นเดิงกับสิ่งนั้นสี่งนี้เมื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้หายไปหายไ ป, ยไ ป, ยไปเรือเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงพลาลากจากกันไปแล้วกระเศร้าเป็นทุกข์ขึ้นมาด้วยความเศร้ารื่นเริงในธรรมอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงอดอิ่มก็รื่นเริงความทุกข์ความลําบากเพราะการปุกทรมานมันก็รื่นเริงเพราะรื่นเริงอยู่ที่ใจใจไม่เจ็บท้องปวดหัวเหมือนกับร่างกายมันเจ็บมันปวดเพราะกิเลสเจ็บแทงต่างหาก ขอเรามีความเพียรปราบยิเหลียดตัวเสร็จแทงอยู่โดยสม่ำเสมอยี่เหลียดตัวไหนจะมาเจ็ดแทงจิตใจให้มีความทุกข์ความลําบากจะทําให้จิตเป็นไข่เหมือนนั่งกายเป็นไข่โดยยี่เหลียดมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พอเราปราบยี่เหลียดอยู่ตลอดเวลาท่านบําเพ็ญครูบาอาจารย์ภูติกาได้มาสั่งสอนอบรมพวกเราส่วนมาก มีแต่สมุกสมบัตมาแทบล้มแทบตายส่นชีวิตรอดมาแล้ว ท, ำทํำถึนโผล่ขึ้นมาแล้วไปนํามาริวมส อ, อนนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาก็เป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าอย่างอื่นผู้ที่สําเร็จได้อย่างรวดเร็วก็ยกให้ท่านเพราะเป็นผู้เต็มภูมิเกือบเต็มภูมิมาแล้วพอแย่ออกก็รู้ก็รู้เห็นเรานิสัยวาสนาของเราเป็นแบบนี้จะทําให้เป็นแบบท่าน ถ้าในผลอย่างท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะนิสัยคนละนิสัยการนําเพนมาต่างกันยากก็ต้องทําแกเราง่ายก็เอายากก็ทํารับหมดภาระที่มีในตัวของเร า, าเราไม่รับไม่มีใครจะรับให้เราไม่แก้ไม่มีใครจะแก้ให้เราต้องเป็นผู้แก้เราเองอัตตาพันโนะโถประเภทหนึ่งอยู่ตรงนี้นามาใช้ พยายามนัปิดชอบตัวเองจะไปหวังพึ่งพิงอะไรมันจะเป็นเหตุให้นอนใจเราเกิดมาก็หวังพึ่งคนอื่นมาเป็นประจำอยู่แล้วเป็นเด็กก็หวังพึ่งพ่อพึ่งแม่เพื่อนฟูงที่เลี้ยงนานมหลังพึ่งมาโดยลำนับพึ่งเข้าโรงน้าโรงเรียนกับพึ่งครูพึ่งอาจารย์เพื่อนฟูงนพึ่งมาโดยตลอดอยู่ในบ้านในเรือนกับพึ่งกันเรื่อยๆพึ่งมาเรื่อยธนกิจมันมีแต่ความพึ่งผู้อื่น เลยคิดจะพึ่งตัวเองทีนี้มาปฏิบัติธรรมเบื้องต้นก็ต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์เพื่อให้อุบาแนะนำสั่งสอนพอได้รับธรรมจากท่านแล้วเอาเอาธรรมเข้าไปแก้ไขตัดแปลงหรือฝึกผลทรมานตนเองเพื่อความพึ่งตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัตินั้นนานจริงนานเวลานี้ให้นอนขมาตรงนี้วังพึ่งตัวเองอยู่เสมอจิตจขเราจะมีความเข้มแข็งเราจะพึ่งคลายทั้งนั้นแหละ ถ้าเข้าถึงธรรมแล้วให้จิตตัดบทไว้เสมอเสมอพึ่งเรางโง่ก็เราจะทำารให้ฉลาดล่ะฉลาดท่านทําให้ได้ให้เกิดฉลาดได้ด้วยอุบายของการพิจารณาทําไมเราจะทําไม่ได้พยายามทําให้ได้หวังพึ่งเราให้ได้ความหวังพึ่งตนนี่แหละเป็นพลังสําคัญหนึ่งของจิตมันไม่คิดสายแสบไปเอ็นไปนู่นเอ็นไปนี่เพราะให้เสียวเวลาเวลาแล้วเกิดความทุกข์มาเปล่าเล่า ในเมื่อสิ่งที่ตนหวังไม่สมหวังเป็นหวังพึ่งใครก็ตามเมื่อไม่ได้พึ่งดังใจหวังแล้วมันเกิดความน้อย อ, อกน้อยใจไปเสีย อ, อกเสียใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาหวังพึ่งเราเฉพาะอย่างยิ่งอย่า ง, ง, งความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยการพึ่งอยู่พึ่งยาก็พึ่งเป็นส่วนร่างกายพึ่งหมอก็พึ่งในส่วนร่างกายส่วน ด้านจิตใจนั้นให้พึ่งตัวเองด้วยสติปัญญานี่แหละคือธรรมพึ่งธรรมคือสติปัญญาพิจารณาแก้ไขจิตมันพุ่งลงช่องเดียวมันถึงมีกําลังกําลังแรงถ้าไหลบาบไปเหมือนกับน้ามันก็ไม่แรงมันพุ่งลงช่องเดียวมันแรงหวังพึ่งตัวเองนี่แหละวะจิตใจก็มีกําลังพิจารณาหเห็นเหตุเห็นผล มันไม่มีมากอะไรละในส่วนร่างกายของเราเนี่ยทุกข์ก่อแค่ท้ายเท่านั้นแหะมันไม่ได้มากเลยจากนั้นไปทุกข์ก็เรื่องของทุกข์ต่างหากไม่ใช่เรื่องของเราเราจะไปวุ่นกับมันด้วยความรุ่มความหลงไปหาประโยชน์อะไรเนี่ยควาทุกข์มันแสดงตัวขึ้นมาแม้แต่ทุกข์เองมันยังไม่ทราบความหมายของมันมันทราบตัวเองว่าเป็นทุกข์ไม่ทราบตัวเองว่าเป็นผู้ให้ทุกข์แก่ผู้ใดเราทำไมาไปแบบไปหามันว่าเราเป็นทุกข์ ทั้งทั้งทีทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่ตามหลักธรรมชาติท้องหมันหากเรารู้ตามความจริงมันเสียด้วยปัญญาของเราแล้วทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่จริงๆนั้นไม่ได้มาเป็นเครื่องกดทุ่งใจิตใจเราอะไรเลยนอกจากเราไปแบกไปหามเพราะด้วยความรู้หนุนของตนเองเท่านั้นจึงจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาท่านสอนทำท่านสอนเพื่อให้รู้ความจริงของแต่และอ ย, อ, ยอย่างอย่างนี้เองมันไม่มากไม่น้อยมันมีเท่าขันนี่แหละไม่เลยจากนี่ไป ทนได้ก็ทนไปขันนั่นแหละมันทนทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้มันก็สลายตัวของมันไปเองจิตของเราอย่าไปแบกไปหามมันให้รับความทุกข์ความลำบากแบกหามนัม้นยังด้วยอำนาจของอุปทานก็เกิดความทุกข์มาพาณใจิตใจอย่างกาแตกยังไม่แล้วจิตใจ ย, ยังหอบกองทุกข์ไว้ด้วยหอบในปัจจุบันนี้แล้วยังหอบไปในภกหน้าอีกไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากทุกข์ล้นล้วนด้วยความหลงตัวเอไปแบกไปหามเช่นเดียวกับไฟ ไฟก็เป็นของร้อนไฟเองยังไม่ทราบความหมายจนว่ามันร้อนทําไมเราจะไปจับไฟให้เกิดความร้อนจากตัวเองเราเนี่ร้อนใครทร า, าบมันร้อนจะไปจับมันทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์จะไปยึดมันมรู้ตามเรื่องของทุกข์แง่เรื่องก็มีเท่านั้นถ้าเราทราบแบบนี้แล้วใจก็ไม่เป็นทุกข์สบายถึงร่างกายมันจะเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองก็าตามด้วยหน้าที่องความทุกข์ที่แสดงตัวขึ้นมาในขณะนั้นตามเรื่องของขัน ใจแล้วแบบเย็นสบายเพราะความรู้เท่าทาีนกันแล้วไม่มีอะไรร้อนนอกจากใจถ้าใจรู้แล้วไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจนี่หลักอยู่ที่ใจที่ใจทั้งนั้นขอให้พิ น, นานณาด้วยความนอบครอบเถิดจิตต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น้านยังมีบกพร่องที่ตรงไหนทุกจะแทกเข้ามาตรงนั้นจุงได้ฉะนั้นเราจึงต้องฟิต ฟิตปัญญาของเราให้ทันสติให้ทันกับสิ่งเหล่านี้อย่าให้เข้ามาทําลายจิตใจได้ขันมันเป็นขันรุนร้วนสาวมันเป็นขันอยู่แล้ยไม่ใช่เรารูปก็ทราบว่ารูปกายคือกองท่ากองขันอยู่แล้วเหตุทะนาเรื่องความสุขควา ม, มทุกข์มันปรากฏขึ้นในจิตใจนั่นก็เป็นขันอันหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยยดผู้รู้เรื่องขันก็เป็นอันหนึ่งอยู่แล้ว ปัญญา้นี่ยเป็นเครื่องต้านทานปักปันเขียดแดนด้วยความรู้ความเข้าใจในระหว่างขันกับจิตอย่าให้มาคลาดเข้ากันเมื่อจิตกับขันไม่ด็ดคลาดเข้ากันแล้วถึงขันจะเป็นอะไรก็ทราบตามความจริงของมันทราบตามพงหญิงมันไปโดยลำหักลำหับหไม่แสดงความดีใจเสียใจแต่กับขันที่แสดงตัวตามเรื่องของมันแล้วก็สบายนะ การพิจารณาขันก็เพื่อพิจารณาเพื่อจิตผู้ไปหลงนี่เองลําพังขันธรรมดาอยู่แล้วนั่นน่ะจะพิจารณาเขาทำไมเขาก็เป็นขันอยู่นั้นทุกเขาก็เป็นของเขาเวลาเกิดก็เป็นทุกของเขาดับก็เป็นฐานเรื่อ ง, งของเขาเนี่ยรูป ก, กายนี่เหมือนกั น, นกเป็นฐานสภาพของมันอยู่เช่นนี้ทำไมยังต้องพิจารณามันการพิจารณาเรื่องธาตุเร่งขันเหล่านี้ก็พิจารณาเพื่อใจเพราะใจมีความผัวพันมีความเกี่ยวขอ้องเพราะความลุ่มหลง ในขันนี้จึงต้องพิจารณาเพื่อแยกสิ่งนั้นออกจากใจหรือเพื่อแยกใจออกจากสิ่งนั้นให้ต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างกินต่างจริงงจร่งไม่ไปเกิดเรื่องเกิดราวต่อกันแล้วทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราคิดถึงเวลาเข้าจริงๆนั่นมันยิ่งหนักกว่าทุกที่เป็นอยู่เวลานี้ เมื่อเราพิจารณาเรื่องธานเรื่องขันเรื่องทุกข์ทั้งหลายในขณะนี้ให้ทราบตามความจริงแล้วในขณะที่มันจะตายกับขณะ น, นี้มันก็ไม่มีอะไรผิดแปกกันมันเป็นความจริงอันเดียวกันสติปัญญาที่ใช้รอบตัวแล้วตั้ ง, ตงแต่บัดนี้กับที่จะไปใช้ในอนาคตนั้นมันไม่มีอนาคตที่ไหนแหละมันมีอยู่กับกายของเหล่านี้เป็นเพียงว่าเวลานี้ยังไม่เกิดแบบนั้นขึ้นมามันเกิดขึ้นมาในขณะนี้ก็ เหมือนกันกับขณะหน้าที่มันจะแสดงขึ้นมาภายในตัวของเรานี่แหละเป็นสัจจะอันเดียวกันสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาอันเดียวกันใช่ดูเท่าทันอันนี้แล้วในการทงหน้าจึงไม่มีปัญหามันเป็นสัจจะด้วยกันแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นความหมายพอจะให้เกิดเขาตกสะท้านภรรยจิตใจเรื่องขันมันแตกเฉย ถึงว่าพระรหันท่านท่านมีความรู้สึกในธาตุในขันในขณะที่เป็นอยู่กับขณะที่สลายไปนั้นแ่ะมันเท่ากันท่านะฟังดิทำไมจึงเท่ากันเอาก็ท่านไม่ได้ได้ความดีความชั่วอะไรจากขันที่ยังทรงตัวอยู่นี้และไม่ได้ความดีความชั่วตลอดถึงความร่มจมใดๆจากขันที่มันสลายตัวลงไปมันเท่าเดิมมีอยู่นี่ก็เป็นขันสลายลงไปก็คือขันสลาย จิตเป็นจิตทั้งขณะที่ท่าขันยังทั้งทั้งที่ขณะที่กําลังครองขนันอยู่และขณะที่ขันสลายตัวไปมันก็เป็นจิตดวงนี้เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วไม่หวังเอาอะไรกับสิ่งใดทั้งหมดบรรดาสมมติในโลกนี้เพียงขันเท่านี้ท่านจะมาหวังเอาอะไรอนันหนมันก็เป็นสมมุติเช่นเดียวกันนะท่านทราบตลอดทั่วถึงอย่างนี้ท่านจึงไม่มีแง่ใด ซึ่งเป็นความรู้สึกว่าจะหนักเบาต่างกันในความเป็นอยู่และความสลายไปนอกนอกจากท่านจะแยกออกไปเพื่อโลกผู้สงสารได้รับประโยชน์นั้นความรู้สึกในความเป็นอยู่นั้นจึงมีน้ำหนักมากกว่าความสลายไปที่ความตายไปของท่านหรือท่านมี้คิตอยู่ในวันหนึ่งมัหนึ่งท่านก็พอจะทําประโยชน์ให้โลกได้เท่าที่ควรเมื่อผ่านไปเสียโลกที่ควรจะรับประโยชน์จากท่านก็เป็นอันาจสิ้นสุดลงไปจึงเป็นเหตุให้เกิดความ รู้สึกในความเป็นอยู่ว่ามีน้ำหนักมากกว่าการสลายไปนี่ก็เพราะความรู้สึกเพื่อโลกต่างหากไม่ได้เพื่อท่านสำหรับเพื่อท่านแล้วไม่มีความหมายไอ้สิ่งเหล่านี้เรื่องถาดเรื่องขันเรื่องความเป็นอยู่เรื่องความตายแต่ไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นสำหรับผุดที่พอตัวแล้วเอาอะไรจากสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วกันแล้ก็อกกยู่ไปอย่างนั้นแหละแล้วผิดชอบกันไปตามเรื่องตามราว ไปไมันเนียวกับพระกินเสียหายกับผ้าดื่มน้าเสี้ยหัว ง, งาหัวนอนก่อนพานอนเสียแล้วเปลียนยาบิก็เปลี่ยนไปเขียนี่พาลาฮาเวยปันจักขันธาสแสดงชัดเจนให้ท่านเห็นมัน ม, มีมีอะไรที่มาก่อกวนในโลกนี้โลกกว้างแันกว้างมีอะไรมาก่อขวนไม่เห็นมีอะไรมาก่อขวนนอกจากขันที่เจ้าของรับผิดชอบอยู่เวลานี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลา เก็บนั่นปวดนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวเดยวก็หายเก็บท้องปวดหัวยุ่งกันไปอยู่ตลอดเวลาพราราฮเวปันจักขั้นฐานมันหนักด้วยการรับผิดชอบนี้เองมัใช่หนักเพรอุปท า, านเหมือนแต่ก่อนที่มีกิเลสอยู่แต่มันก็หนักด้วยความรับผิดชอบเพระาะฉะนั้นการเรียนรู้ขันยังพอตัว หรือรอบตัวแล้วจึงเป็นความสบายสิ่งภายนอกมันกลายแสนกลายมากอย่างไรก็เกี่ยวเรื่องไม่ไม่เป็นความรับผิดชอบของเราเหมือนขันเมื่อสรุปแล้วก็มีแต่ขันเท่า น, นั้นเป็นตัวการให้เรารับผิดชอบผู้มีกิเลสอยูก็อ้าก็มีกิเลสเป็นตัวการผู้แย่ก่อกวรให้วุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอน ว่าแ่เขอเมตต์มันอย่าก่อขวรเน่ยตัวนี้ก็เป็นตัวของมตต์ตัวหนึ่งคือตัวอธรรมมันชอบจะทําลายธรรมที่มีภายใจิตใจของเราจะสร้างอัดสร้างธรรมขึ้นมาเพียงเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อเนี่ยมันพยายามมาทําลายมาจีดมา ก, กันเรือ่อยไปนี่เนี่ยตัวสําคัญตัวบาปตัวกรรมตัวเทวทัศน์มันอยู่ภายในจิตใจถึงพยายามปราบ ตัวเทวทัศน์ภายในตัวธธตของเรารรนี่เป็นกําหนิเทวทัศน์โน้นเทวทัศน์ภายในตัวธธตของเรานี่แหละมันมาทําทุกเจ้าเราเทวทัศน์ทน้น ม, มันเลมาทําให้ใครเทวทัศน์ที่อยู่ในเรานี่หละมันทําลายเราอยู่ตลอดปีกันรุเยะก่อควรหลอกลวงปิ่นต่อนไม่ทราบว่ากี่เนี่ยกีุ่มวันหนึ่งวันหนึ่งตลทบทุกตัวนับไม่ได้ด้วยคนมายาของกิเลสตัวเทวทัศน์นี้ เะันถึงต้องแก้ที่นี่ปราบกันลงที่นี่ตัวข้าศึกมันอยู่ที่นี่สติปัญญาไม่พอให้ขุดค้นขึ้นมาพิิจพิจารณาโดยเอาธาตุเอาขันเป็นหินรับสติปัญญาพิจารณาให้ดีหินรับปัญญาที่เหมาะสมที่สุดก็คือธาตุขันของเราเนี่ยทุกปรากฏขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันทุกเนี่ยมันทุกอย่างนี้เนี่ยสาเหตุที่มันจะเป็นทุก ข, ข์ของขันของทางขันนี่ก็เพราะความเกิดเนี่ย ใช่เหตุอันหนึ่งก็เพราะว่ามีโรคมีภัยเป็นสิ่งที่ชอนชายมันอยู่ภายในนั้นรบกวนดุกดังแกมอยู่มันก็แสดงตัวออกมาสาเหตุอันยิ่งใหญ่ก็คือเพราะความเกิดนั่นเองมันถึงได้ว่าเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องชาราปิดดูขาพยาธิปิดดูขาพยาที่ไปดูขาเรื่อยอยู่ไปมันำไปดูขังมันก็ว่าไปความเกิดเป็นทุกข์ชาราปัญญาที่เป็นความทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่เรื่องทุกข์กระสับเป็นอย่างนี้ทันว่า เราย่นเข้ามาให้เห็นตัวโทษจริงๆคือตัวอะไรอยทําขั้นละเอียดเกิดก็เกิดมาแล้วทุกข์ก็ทุกข์มาแล้วมันผ่านมาแล้วเนี่แยแตวลาพญาธิมันก็เป็นตามเรื่องของทายของขันใครไปหาเรื่องหาราวว่าอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี้ตัวนี้แหละตัวก่อเกิดก่อเหตุให้เกิดทุกข์นั่นตัวสังขารตัวสัญญาที่ออกมาจากกิเลสเป็นผู้บงการนี่แหละตัวก่อเหตุตัวก่อให้ทุกข์เกิดคือตัวนี้เอง หมุนเข้ามาที่นี่เึื่อท่านรังขันก็ไกลไปกเ็เห็นได้ว่าห่างไปแล้วแกเข้ามาที่นี่มันถึงเห็นตัวสำคัญข้างหน้าคือกิเลสภนะจิตวาดภ า, า, า, าพหลอกเรานั่นเราก็เชื่อวิ่งตามภาพของมันหลอกไปตัวจริงมันอยู่ข้างหลังเรานี่น <c oughs> ี่มอนถึงเอาก็จกขวางหน้ามองเห็นเงาตัวเองคือปัญญาย้อนกลับมาพิจารณาตัวนี้ ให้เห็นเรื่องของกิเลสมันอยู่ที่ใจนะฮะ้าเกิดกับตัวนี้ภาแก่ภาเจ็บภาตายเป็นพบเป็นชาติเป็นธาตเป็นขันนก็คือตัวนี้เนี่ยพอตัวนี้ดับไปแล้วธาตุขันมันเป็นขึ่งเป็นนิบาสคือผลของมันก็เป็นกาศไปเทียสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราได้แล้วพาณาจิตใจเหนี่ยมหาสมบัติคือจิตของเราจิตผ่องใช้และบริสุทธิ์เป็นมหาสมบัติเป็น ท่านท่านขึ้นไปจนกระทั่งเป็นความมุจุดยิ่งเรียเร่ยวของมหาสมบัติเป็นผู้นี่ล่ะเป็นสาระสําคัญภายในตัวของเราไม่มีเท่านี้มีจิต ด, ดวงเดียวท่านี้เรียนยากนะเรียนเรื่องจิตที่จะให้ทราบจิตอยู่ในธาตุในขันมันรู้ไปหมดทุกแห่งทุกผลสูงต่ําในบรรดาร่างกายของเราความรับทราบความรู้นี่มีเต็มไปหมดมันรับทราบไปได้หมดเลยถือตัวจริงไม่ได้ว่าอะไรคือจิตนี่ ต้องเรียนด้วยหลักวิตะพสนาให้จะทราบย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงตัวจริงคือตัวจิตเือเรียนจิตจบแล้วมันก็หายสงสัยเรื่องทั้งโลกทั้งหมดหายสงสัยหมดหายสงสัยแล้วทุกข์มันก็ไม่มีจะมีมาจากไหนนักพรบ ลบกิเลสนี่นะเป็นนักรบสู่้กิเลสที่เป็นตัวภัยของเราแก้ตัวภยัยปราบการตัวภัยให้หมดไปแล้วเราก็สิ้นภยัยหมดภยัยไม่มีอะไรเป็นภยัยอีกถึงแดนะเสริมท่านว่าถึงแดนกเกษมคือแก้สิ่งที่เป็นภัยแล้วมันก็หมดเรื่องมันท่านั้นนะ่ะ ท่านก็ยกขึ้นเป็นจมมุติตว่าถึงแดนกเกษตเหมือนว่าก้าวไปถึงแ ด, ดนนู้นแดนนี้แดนไหนก็คือจิตดวงนี้เรื่องสิ่งที่เป็นค่าสิทธิต์ตนออกหมดโดยสิ้นเชิงเท่านั้นก็เป็นแดนอันกเกษสมขึ้นมาแค่ในตัวเองอันนี้แดนแสดงรึงหมดทำนี้